อย่าลืมว่าเมื่อไปอยู่ในโลกของโอปปาติกะนั้นท่านจะจําใครไม่ได้เลยแม้แต่ตัวของท่านเองคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของท่านที่ได้สะสมไว้เมื่อตอนที่เป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะเลี้ยงตัวท่านได้การไปรู้จักกับโอปปาติกะตนอื่นก็จะมีความหมายเช่นเดียวกับเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์นี้ท่านไม่ทราบมาก่อนเลยว่า คนนั้นคนนี้เป็นใครนอกเสียจากว่าท่านจะเคยได้ยินชื่อเสียงหรือได้รับการแนะนำให้รู้จักกันนี่คือข้อความตอนหนึ่งในเทศกานที่สามและที่ท่านพูดว่าจำคนอื่นไม่ได้นั้นก็พอทำเนาแต่ที่ว่าจำตัวเองไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสัย ข้าพเจ้าจึงได้กราบเรียนถามท่านและท่านก็ได้ตอบมาว่าคำว่าจําตัวเองไม่ได้ในที่นี้หมายถึงว่านึกไม่ได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเช่นเดียวกับคนที่เกิดมาในโลกนี้จําชาติก่อนของตัวเองไม่ได้ คนเราถ้าหลงว่าจำเรื่องอดีตไม่ได้ก็ไม่อาจที่จะเข้าใจตัวเองได้อย่างถูกต้องว่าทำไมเราจึงต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามหลักธรรมถือว่าคนที่ยังละสักยะทิฐิไม่ได้ก็คือคนที่ยังไม่รู้จักตัวเองหรือยังเข้าใจตัวเองผิดสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เข้าใจตัวเองไม่ถูกก็คือ เรารู้แต่เพียงว่าเราเกิดมาจากพ่อแม่จเจริญเติบโตมาจากอาหารเรารู้เพียงแค่นี้อย่างอื่นนอกจากนี้เช่นเราเคยเกิดมาแล้วในชาติก่อนๆเราจะเกิดมาเป็นอะไรสำคัญอยู่ที่วิบากเรื่องอย่างเนี้ยไม่รู้เมื่อเรื่องต่างๆในทํานองนี้ไม่รู้ก็แปลว่าเรายัางไม่รู้จักตัวเองไม่เข้าใจเรื่องของตัวเอง แต่คนส่วนมากมักจะนึกว่าฉันรู้จักตัวฉันดีพวกโอปปาติกะทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อลืมความหลังอย่างสนิทก็แปลว่าเขาจำตัวของเขาเองไม่ได้ว่าเขาเคยเกิดเป็นคนอยู่ที่นั่นที่นี่เคยมีพ่อแม่มีครอบครัวมีเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งนี้ก็เพราะชีวิตของพวกโอปปาติกะโดยหลักส่วนใหญ่ก็เหมือนกับคนที่นอนหลับแล้วฝันคนที่ฝัน ย่อมลืมถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะหลับและลืมถึงตัวเองที่นอนหลับอยู่แต่ก็ขอได้โปรดเข้าใจว่าโอปปาติกะทุกคนไม่ได้เป็นเช่นนี้คนประเภทไหนเมื่อเกิดเป็นโอปปปาติกะแล้วลืมความหลังสนิทได้อธิบายมาในตอนแรกแล้วอันหนึ่ง ขอได้โปรดให้ความสนใจให้มากต่อคาที่หลวงพ่อสมเด็จพูดว่าคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของท่านที่ได้สร้างสมไว้เมื่อตอนที่เป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะเลี้ยงตัวท่านได้ที่ท่านพูดนี้หมายถึงพูดที่ไปเกิดในสุขติภูมิแต่ถ้าไปเกิดในอบายภูมิบาปกรรมที่ได้ทำไว้ซึ่งมีวิบากอยู่ในสันดาน อันนี้ก็จะเป็นตัวการที่ทำให้มีชีวิตอยู่ในอบายภูมิหมายความว่าการเกิดการดำรงชีวิตและความเป็นไปทุกอย่างขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่ได้ทำเอาไว้เรื่องนี้เราจะเข้าใจง่ายขึ้นถ้าหากเราเข้าใจชัดว่าทุกอย่างในโลกของโอปปาติกะเกิดจากใจและคำว่าเกิดจากใจนั้นหมายถึงเกิดจากวิบากต่างๆซึ่งมีอยู่ในใจ ฉนั้นจึงพูดสั้นๆว่าเกิดจากใจพวกโอปปาติกะทั้งหลายเมื่อมีความคิดหรือมีความรู้สึกอันใดเกิดขึ้นย่อมมีผลเท่ากับเป็นการกระทําของมนุษย์เช่นมนุษย์เมื่อต้องการจะใส่เสื้อชนิดไหนก็ตามนอกจากจะต้องไปจัดหามาไว้แล้วหรือต้องทาขึ้นด้วยตัวเองทุกอย่างแล้วเวลาจะใส่ เพียงแต่นึกอย่างเดียวย่อมไม่สําเร็จผลต้องมีการกระทําด้วยเสื้อจึงจะมาสวมที่ร่างกายของตัวเองตามที่ต้องการแต่สําหรับโอปปาติกะเพียงแต่นึกอยากจะใส่เสื้อเสื้อที่ต้องการก็จะสวมอยู่ที่ร่างกายทันทีหรือเมื่อต้องการจะเปลี่ยนตัวใหม่ตัวเก่าก็จะหายไปทันทีและในเวลาเดียวกันก็จะมีตัวใหม่ที่ต้องการเข้ามาสวมแทนที่ เพราะเหตุนี้ความนึกคิดของพวกโอปปาติกะจึงมีค่าเท่ากับการกระทำแต่ก็ขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าผู้ที่ปรารถนาสิ่งใดและจะได้สมความปรารถนานั้นจะต้องเป็นผู้ที่เคยทำบุญเอาไว้ถ้าไม่ได้ทำบุญเอาไว้หรือบุญมีไม่พอการนึกเพียงอย่างเดียวย่อมไม่เกิดประโยชน์ ถ้าเข้าใจหลักดังที่กล่าวมานี้ดีก็จะเข้าใจได้ไม่ยากว่าผู้ที่อยู่ในสวรรค์กุศลที่ทำเอาไว้ทำไมจึงมีผลทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้แต่อย่างไรก็ดีการศึกษาเรื่องชีวิตของโอปปาติกะควรจะระวังไว้อย่างหนึ่งคือ อย่าได้ยึดมั่นในทฤษฎีหรือในหลักอันใดอันหนึ่งที่เคยรู้มามากจนเกินไปเพราะในโลกของโอปปาติกะนั้นกฎเกณฑ์หรือข้อแม้มีมากอย่าไปนึกว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎเหมือนอย่างที่เคยรู้มาคนที่ศึกษาเรื่องนี้บางคนยิ่งรู้มากยิ่งมีปัญหามากก็เพราะไปยึดมั่นในหลักอันใดอันหนึ่งที่รู้มาเรื่องเนี้ยต้องระวังให้มาก